กบูชากบูชาพระรตนณฑ์ไตรกบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กาบกรวะหลวงพ่อกลมพระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิกขอเจริญธรรมแม่ชีและก็ญาติโยมทุกท่าน ก็เป็นกิจวัตรประจำวันหลังจากที่เราได้ทำวัดสดมนกันแล้วก็มาฟังสิ่งที่เป็นสารับประโยชน์ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเจริญสติในวันนี้ก็อยากจะ <c oughs> นำเสนอนะในเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนธรรมะนะจากกายจากใจการเรียนรู้ธรรมะนั้นนะเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้จากหลายแหล่งจากการได้ยินได้ฟังจากการที่เราอ่านหนังสือฟังเทปซีดีก็ดีหรือดูในอินเทอร์เน็ตก็ดนะีตรงนี้ก็ช่วย ส่งเสริมนะให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในระดับที่เรียกว่าเป็นความจําได้หมายรูนะ้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสุตตมยปัญญานะซึ่งตรงนี้ก็ <c oughs> เป็นช่วยทําให้เรามีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นแต่ความเข้าใจตรงนี้นะก็คงยังไม่เพียงพอนะเราก็เอาไป คิดพิเคราะห์ใครควรนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญญาในระดับที่เรียกว่าจินตามยปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไตรตรองให้ควรนะใช้ความคิดนะหายเหตุอาผลณแต่ปัญญาในระดับที่สองนี้นะก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเมาเรารเผชิญกับอารมณ์ เผชิญกับสิ่งต่างๆที่เราคาดไม่ถึงน่าจะเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีจิตใจเราก็จะยังไม่ปกติน่ายังหลงสุขหลงทุกข์อยู่น่าจําเป็นที่จะต้องพัฒนา <c oughs> ไปอีกระดับหนึ่งนก็คือเอาความรู้ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้ใคยควร มาทดลองมาปฏิบัตินะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในระดับที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานะปัญญาที่เกิดจากการภาวนากรรมภาวนาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการท่องบนการบริกรรมนะแต่หมายถึงการพัฒนาพัฒนานี้พัฒนาอะไรนะสิ่งที่ เราจะพัฒนาก็คือพัฒนาสติปัญญานั่นเองนะเลยบางทีเราเรียกว่าสติสัมปชัญญะนะซึ่งเป็นธรรมะหมดแรกเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากนะผู้ที่บทใหม่นะก็จะต้องรู้ตรงนี้สติสัมปชัญญะนี้เป็นภาษาบาลีนะบางทีก็อาจจะยังไม่ เข้าไปถึงใจจริงๆนะถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะเราก็เรียงสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะสองอันนี้รวมกันเนี่ยพูดให้สั้นเข้ามาก็คือความรู้สึกตัวการเรียนรู้ธรรมะนั้น <c oughs> เราเรียนรู้ได้ความคิดเนี่ยก็ได้การจดจําไดนะ้ได้เหตุได้วยผนะ แต่ถ้าเราต้องการที่จะเรียนอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเสียเวลาก็คือเรียนรู้ด้วยสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวการเรียนรู้ <c oughs> ลงไปที่ไหนลงไปที่กายที่ใจของเราเอากายใจเนี่ยเป็นตำร า, าเป็นหนังสือที่เขาจะแสดงความจริงให้เราได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน นะตั้งแต่ตื่นยันหลับนะหรือแม้แต่หลับแล้วบางทีก็แสดงให้ดูนะถ้าสติสัมปชัญญะของเรานั้นคมชัดพอความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะที่มีอยู่แล้วเป็นสติสามัญที่เราใช้ในการทำการทำงานแต่สติตรงนี้นะยังไม่เพียงพอนะที่จะไปรู้เท่าทัน นะสิ่งที่มันไวก็คือความคิดนะหรืออารมณ์ต่างๆชีวิตของเราที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่า <c oughs> เราดำเนินไปนะโดยที่ทำไปตามความเคยชินบ้างนะทำไปตามความพอใจบ้างนะทำไปตามความสุขบ้างนะหรือบางทีก็เลียกยเลี่ยงสิ่งที่เป็นความทุกข์บ้าง เราพยายามหลบเลี่ยงความทุกข์แล้วก็วิ่งหาความสุขนะซึ่งก็เป็นธรรมดานะที่เราเคยชินการที่เรามีชีวิตอยู่กับความสุขความทุกข์เนี่ยนะก็ <c oughs> ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ปกตินะจิตใจเราเดี๋วดีใจเดี๋ยวเสียใจซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะของชีวิต นะทำให้ชีวิตของเรานั้นนะเป็นชีวิตที่จะต้องวิ่งหาความสุขอยู่ล่ำไปและพยายามวิ่งหนีความทุกข์อยู่เรื่อยไปแต่ความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราวิ่งหนีไม่ได้หรือจะไปวิ่งหาไม่ได้นะแต่ถ้าเราหยุดหนะยุดที่จะดูหยุดที่จะเรียนรู้เขานะจะเป็นความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดี จริงๆเนี่ย primero, ความทุกข์ก็คือสิ shuffle, ่งที่ทนได้ยากความสุขก็คือสิ่งที่ทนได้ง่ายจริงๆถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละมันคือทุกข์ก็คือทนยากหรือทนง่ายสิ่งที่จะเรียนรู้ก็คือเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเรียนรู้ตรงนี้เราไม่ต้องไปหลบหนีเราไม่ต้องไปหลบรีหนีไปเรียนรู้ความทุกข์ลงไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจนะตรงนี้จะเป็นตำราเล่มใหญ่เป็นความจริงนะที่ปรากฏให้เราเห็นทีนี้นความรู้สึกตัวมันเป็นนามธรรมานะเป็นสิ่งที่เป็นนึกไปคิดเอาไม่ไดนะไไ้เป็นสิ่งที่เราจะไปจินตนาการให้เกิดขึ้นมาไม่ไดนะ้แต่เราจะทำได้โดยการอาศัยสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันก็คือกาย ซึ่งเราก็มาทำสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานนั่นเองซึ่งในปัไติปิฎกก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีได้พูดไว้หลายวิธีจะเป็นอนาณาปณสติก็ดีาอาริยบพะสัมปัญญา บ, บาพะปฏิกูลสัญญาต่างๆก็เป็นวิธีการที่แ <c> ต <oughs> ่ละคนก็สามารถจะเลือกใช้ให้เหมาะกับจริตนิสัยของตัวเราเอง ในส่วนตัวกระผมเนตตามาเองนะก็เคยได้ฝึกนะหลายพิธีนะก็ทั้งอานาพนาสติก็ดีนะการเคลื่อนไหวก็ดีนะซึ่งก็มาพบว่าการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นวิธีการเริ่มต้นที่ง่ายนะเพราะว่าชีวิตของเรามีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะเรียกว่ามีเป้าชัด นะการมาเจริญสติเลือกความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวนะด้วยกายนะตามวิธีการหนะ้าที่หลวงพ่อเทียนได้นําเสนอไว้เนี่ยนะมันเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายนะโดยมีการยกมือก็ดีการเดินชุมกลุ่มก็ดนะีตรงนี้มันจะชัดนะการใช้ลมหายใจเนี่ยนะมันจะเบาแล้วก็มันอาจจะลงได้ง่ายสําหรับบางคน นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีการนั้นไม่ดีนะก็ดีนะก็เหมาะกับบางคนนะแต่ว่าวิธีการที่เรามาเคลื่อนไหวเนี่ย <c oughs> มันเห็นได้ชัดนะเรามีความรู้สึกตัวนะกับการยกมือกับการพลิกมือนะกับการเคลื่อนกับการหยุดนะการยกมือเนี่ยเราอย่ายกมือปลอบเปล่ า, ลายกมือฟรีๆนะยกโดยอัตโนมัต ให้มีเจตนาที่จะรู้สึกรู้สึกตัวกับการยกนะเพียงแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่ต้องไปรู้อะไรมากกว่านั้นแรกๆเนี่ย ใ, ให้ยกช้านิดหนึ่งแล้วก็เจตนาที่จะรู้สึกตัวเข้าไปนะแรกๆกเนี่ยมันก็อาจจะเพ่งไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นใหม่นะบางทีมันก็เพ่งไปบ้างนะแต่เพ่งไปน า, นานเนี่ยเราก็จะรู้สึกหนัก น้ำก็จะต้องหาทางผ่อนคลายเองาการยกมือรู้สึกกับการยกเพียงแค่รู้สึกเท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดว่ารู้สึกด้วยไม่ต้องไปคิดว่ายกด้วยเพราะฉะนั้นการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวไม่ต้องใช้ความคิดเลยะใช้ความรู้สึกตัวะตรงนี้หรือมาแต่การเดินชงกรม <c oughs> นะการเดินก็เดินปกตินะไม่ต้องเดินช้าเกินไปนะให้มีความรู้สึกกับการก้าวเดินไปเท้าที่สมัมผัสพื้นนะให้มีความรู้สึกนะกับการเคลื่อนไหวของเท้านะซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับการยกมือนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปนะเพื่อให้การบริหารกายเนี่ย <c oughs> มันพอเหมาะพอดีแลนะบางทีเรานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อย นะเราก็เปลี่ยนอิเดียบทนะด้วยการเดินนะเมื่อเดินมากๆปวดเมื่อยเราก็นั่งนะในการฝึกปฏิบัติเนี่ยให้ทํา2อิเดียบทเนี่ยให้มากๆเนื่องจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มันเห็นได้ได้ยากนะและเป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่ ให้มันอยู่กับเราบ่อยๆนะคำว่าอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าให้มันเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เราไปประคองมันนะความรู้สึกตัวนี้อย่าไปประคองมันให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติความรู้สึกตัวเนี่ยให้เป็นความรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องเป็นเส้นเหมือนเอ่อเชือกนะแต่ให้มันเป็นเป็นเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะนะเปรียบเทียบเหมือนกับ เป็นห่วงโซ่ที่คล้องกันนะบางทีก็เผลอบ้างบางทีก็รู้บ้างนะไม่เป็นไรเผลอแล้วกลับมารู้ใหม่นะเผลอแล้วแล้วไปกลับมารู้ใหม่นะทำอย่างเนี้ยบ่อยๆทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยต้องอาศัยความเพียร น, นะที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะในรูปแบบนะนอกจากนั้นนะก็ต้องในนอกรูปแบบเราก็พยายามฉวยโอกาส ที่จะมีความรู้สึกตัวกับกิจวัตรประจําวั น, นตั้งแต่ตื่นยันหลับอย่างเราตื่นมาเมื่อเชา้านี้เรารู้สึกตัวที่ตื่นลุกขึ้นม า, นาแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำํำแต่ก่อนเราอาจจะไม่มีความรู้สึกตัวเลยก็ได้เราก็หุนหันพันแล่นตื่นขึ้นม า, นาโดยเฉพาะบางทีผู้สูงอายุเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ระมัดระวังตื่นขึ้นมาบางที นะความดันมันขึ้นได้ง่ายๆถ้าเรารีบลุกไปนั้นเราก็ลุกด้วยความรู้สึกตัวเข้าห้องน้าทำธุระด้วยความรู้สึกตัวห่นะผมผ้านะสวมใส่เสื้อผ้าด้วยความรู้สึกตัวนะไหว้พระสวดมนตนะ์ด้วยความรู้สึกตัวนะตรงนี้เนี่ยจะทาให้การเจริญสติของเรานั้นมีความต่อเนื่องการเจริญสติในเบื้องต้นเนี่ยให้รู้สึกตัวที่ก ให้ชัดให้บ่อยๆนะเรียกว่าให้มีสติไปในกายเป็นประจำนะเมื่อเรารู้สึกตัวที่กายชัดแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะเข้าไปรูนะ้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมานะสิ่งที่เป็นความคิดนะหรืออาจจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆในขณะที่เราทำเนี่ย นะมันก็มีแล้วละ่ะมันก็เห็นได้ละ่ะแวบๆนะแต่บางทีอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะบางทีเวลาเราทําไปนะนก็คิดนึกไปต่างๆนานานะนะนะหรือมีความรู้สึกสุขทุกข์นะหรือบางทีก็เฉยๆนะอันนี้มันก็มีอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดนะักแต่ถ้าความรู้สึกตัวที่เราทําเป็นประจําบ่อยๆกับกายเนี่ยนะมันจะทําให้เราเข้าไปรู้นะอารมณ์เข้าไปรู้ความคิดความนึก นะซึ่งเราจเจนเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะมันถูกความคิดเนี่ยให้ทำให้สัง่งให้ทำมันนู้นสั่งให้ทำมันนี้นะบางทีก็เป็นความคิดดีบางทีก็เป็นความคิดที่ไม่ดีนะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะเราหลงไปในความคิดนะหลงไปในอารมณ์ต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเราเป็นทาสของความคิด นะเป็นธาตุของอารมณ์บางอย่างเราเห็นว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันอดไม่ได้นะอดไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันยั่วนะอารมณ์มันชวนให้เรานะไปทำในสิ่งเหล่านั้นนะซึ่งบางทีเราทำไปแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดนะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมานะเราก็มารู้สึกตัวทีหลังดางนั้นเราก็ลืมตัวไป เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการเจริญสติเนี่ยจากกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเข้าไปรู้ใจที่คิดนึกนะแล้วก็ <c oughs> อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยทาบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้เป็นประจำทำให้เป็นนิสัยนะเรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนนั้น เราอาจจะมินิสัยที่ทำอะไรไปตามความเคยชินทำอะไรไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆนะทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะทั้งที่คิดดีแล้วก็คิดไม่ดนะีตรงนั้นเนี่ยนะเราก็จะได้ <c oughs> มาพิจารณาให้ควรสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยกันเอาไว้ นะอะไรที่ควรอะไรไม่ควรและปัญญามันจะมาพร้อมกันในะตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราฝนะึกานจากการที่เราเพียรพยายามในะการที่จะกลับมารู้สึกตัวทีนี้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆเราเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะตรงนี้เนี่ยนะมันจะทำให้เราเกิดความชนานาญ เราจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรานะเป็นปราบกุตการเป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้ฝึกนั้นเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้หรอกนะเราเพียงแต่ว่า <c oughs> ทําไปตามที่มันเคยเป็นอาจจะทําไปตามความเพลิดเพลินอาจไปทําไปตามความพอใจนะไม่ได้ทําไปได้วยสติสัมปชัญญะ ไม่ได้ทำด้วยสติด้วยปัญญาผลงานชีวิตที่ทำอะไรไปตามความเคยชินเก่าๆความเพลิดเพลินความพอใจเก่าๆ เ, เนี่ยบางทีนะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่เป็นความสุขเนี่ยมันทำให้เราติด อ, อกติดใจเมื่อเราติด อ, อกติดใจเราก็ยึดถืออยากให้มันอยู่กับเราตลอดซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เกิดความหลงละ นะเกิดความไม่รู้เท่าทันและนะแล้วก็อยากจะให้มันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ความสุขเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ไม่คงตัวนะเพราะนั้นตรงนี้พอสุขหายทุก็มาเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรู้เนี่ย <c oughs> การเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเราเรียนรู้ลงไปที่กายที่ใจของเรานี่แหละ เราเรียนรู้ไปในความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นนี่แหละหาจากกายจากใจที่คิดนึกนี่แหละหเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันมีทุกขนทุกแห่งมันมีอยู่ทุกที่มันมีอยู่ทุกเวล า, าที่เรียกว่าเป็นอักาลิโกนั่นเองถ้าความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นนักศึกษ า, าที่จะให้เราเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้เห็นบ่อย เห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆ เ, เราก็จะเกิดความ <c oughs> เกิดความเข้าใจนะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่ามันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถไปยึดถือเอามาเป็นอย่างใจที่เราคิดนึกที่อย่างที่ใจเราต้องการได้นะก็มีเพียงแต่เกิดการปล่อยการวางนะอย่างที่เราสวด บทพาระปัญจะที่ของหนักนะจริงๆเราสวดอยู่ทุกวันเนี่ยแต่เราไม่รู้สึกแล้วว่ามันหนักนะแต่ถ้าเรามี <c oughs> ความรู้สึกตัวเนี่ยเราจเจนเลยว่าเราไปยึดไปถือมันเป็นหนักมันก็จะเกิดการปล่อยการวางนะตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยด้วตัวความรู้สึกตัวนี่แหละที่เราจะไปเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเกิดการปล่อยวางขึ้นมา นะเรียกว่าปล่อยวางโดยธรรมชาตนะิไม่ได้ปล่อยวางโดยการคิดนึกเอาไม่ได้ปล่อยวางโดยการที่ไปจดจําเอาในตํำรับตําราก็าบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางแต่มันเกิดจากการที่เราเจริญสตินี่เองนะตรงนี้เมื่อเกิดการปล่อยวางแล้ว <c oughs> จิตใจที่เป็นปกติเนี่ยเขาก็จะแสดงตัวของเขาออกมาซึ่งจริงๆ สภาพจิตปกติเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าในบางครั้งบางโอกาสเราลืมตัวนะเราไม่ทันนะตรงนี้เนี่ยความคิดนึกหรืออารมณ์มันก็มาบังนะทำให้จิตใจเราไม่ปกติเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนที่ได้ฝึกเจริญสติเนี่ยก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้การเห็นธรรมะนี่ก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เห็นสีเห็นแสงเห็นเทวดานะหรืไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวเลยมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ต่อหน้า ต, ต่อตาเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจ ะ, ะเผชิญได้นะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการปฏิบัติเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีอารมณ์ต่างๆหรือมีสิ่งต่างๆซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นนะอย่างเช่นแสงสว่างก็ดี หรือบางทีความเบาเนื้อเบาตัวความสบายใจความพอใจนะมันเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นสิ่งที่จะผ่านเข้ามาให้เราเห็นแล้วเราก็ผ่านนะเราอย่าไปจมอยู่กับมันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผ่านอย่างเดียวเลยอารมณ์ทุกอารมณ์ผ่านนะมันมาอยู่ที่ความเป็นปกติของใจนะหรบางทีแ <c oughs> ม้แต่ความปกติเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปประคองมันนะ ให้เพียงแค่รู้แล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดการปล่อยการวางไปเองนะแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกับธรรมชาติข้างนอกนี่แหละนะที่มันมีการแปลเปลี่ยนไปนะเราเป็นเพียงแต่ผู้ดูเราไม่เข้าไปร่วมเป็นผู้เป็นด้วยนะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราเอา่อคืนสู่ธรรมชาติ ดั้งเดิมนที่มีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เป็นสันติสุขเป็นสุขที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราเราไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากที่ไหนเป็นสุขที่มีแล้วโดยธรรมชาตินที่ธรรมชาติเขาให้กับมนุษย์ทุกคนนที่มีที่เกิดมาในโลกนี้นเพียงแต่ว่าเราหลงลืมไปนเราไปเพลิดเพลินกับความสุขในวัตถุในสิ่งของต่าง นะหรือความเพลิดเพลินในเาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะซึ่งอันนั้นเราลืมไปเราลืมของดีที่มีอยู่ในตัวเรานะซึ่งอันเนี้ยถ้าจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นเพชรนะที่มีอยู่ในใจของเรานะที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยให้เราหมั่นทําบ่อยๆทําเรื่อยๆนะอย่าได้ท้อถอยบางทีมันจะมี สิ่งที่มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นจจะเป็นความง่วงความฟุ้งซ่านความเบื่อนะอันนี้ก็อย่าท้อถอยนะเป็นสิ่งที่เข้ามาทดสอบกำลังของเรานะถ้าเราผ่านด่านนี้ไปได้นะเราก็จะไปเจออารมณ์ต่างๆมีทั้งอารมณ์ที่เ <c> ก <oughs> <c oughs> ิดความเบา อ, อกเบาใจก็มีผ่อดโปงโลงก็มีโล่งก็มีนะมันมีปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งน่าสนใจทีเดียว เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนรู้ลงไปที่กายที่ใจให้มากมากนะการเรียนรู้จากหนังสือก็ดีตำรับตำราก็ดีก็มีจุดมุ่งหมายที่จะมาตรงจุดนี้เราอ่านหนังสือเท่านั้นไม่พอนะเรามาดูที่กายที่ใจของเรานะหรือบางคนเนี่ย <c oughs> อยากจะรู้นรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอ่านหนังสือบางทีอ่านหนังสือมันก็ไม่ได้คาตอบ นำมาดูที่กายที่ใจของเรลานี้ลนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ อ, อยากจะนำเสนอในเช้าวันนีนะ้ก็ขอให้เรามีความเพียรความพยายามใช้เวลาที่อยู่วัดป่าสุกตเนี่ยนะกับเรื่องนี้ให้เต็มที่ถือเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์นะเรียกว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนเป็นภารกิจอันดับแรกนะของการมาใช้ชีวิตที่ป่าสุกต นะก็คือการเรียนรู้ธรรมะลงไปที่กายที่ใจนะเพื่อทําให้ถึงที่สุดนะแห่งกองทุกข์นะอย่างที่เราได้มุ่งหวังนะจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะขอให้เราได้ตั้งใจมีความเพียรพยายามนะในท้าที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระษีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะและก็ความเพียรพยายามของทุกท่านนะจงเป็นพระวะัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านนะมีความเจริญนะในการปฏิบัตนะิให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร